กุศลมูลสากุศลละมูลสามอย่างเป็นมูลแห่งอนุวาธาธิกรเป็นฉไนพิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พิกษุทั้งหลายย่อมมีจิตไม่โลภโจทย่อมมีจิตไม่โกรธโจทย่อมมีจิตไม่หลงโจ์ด้วยศีลวิบัตอาจารวิบัตทิถิวิบัต หรืออาชีววิบัติกุศลลมูลสามอย่างเหล่านี้เป็นมูลแห่งอนุวาธาที่ก่อน